ฟังหรื อ, อยังคนพุทธที่ต้องฟังหลักทำคำสอนเพื่อให้ได้หลักไว้เพราะโดยเฉพาะหลักว่าพุทธศาสนาเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรสมมติฐานตั้งฐานมาที่เริ่มมีพุทธศาสนาเนี่ยปราชบัณฑิตทั้งหลายใช้คําว่าเกิดมาจากความตัว ที่แรกมนุษย์เราก็กลัวฟ้าผ่าฟ้าผ่าเปรี้ยงมาเนี่ยความกลัวเนี่ยก็จะนึกถึงที่พึ่งจะหลบตรงไหนซ่อนตัวยังไงฟ้าจะไม่ผ่าตายแล้วก็ค่อยๆกรยับเคลื่อนหาอะไรที่มันเป็นที่พึ่งที่คิดว่าตัวเองแควพลาดรอดได้ที่แรกก็กลัวเนี่ยก็ทำให้เกิด แหวงหาเรื่อยๆมาแต่ความกลัวในที่เกิดที่เกิดเนี้ยมันเกิดจากความโง่เขลาหรือเกิดจากความฉลาดต่างกันบางคนกลัวแล้วฉลาดหาที่พึ่งฉลาดก็ได้ที่พึ่งดีแปกแต่ถ้ากลัวแล้วหาที่พึ่งโง่ๆขึ้นมาแบบโง่เขลาก็จะเอาอะไรที่เป็นที่พึ่งแบบไม่ได้เรื่องได้ราวเลยที่เราได้ยินสวดกันว่า เมื่อมนุษย์เกิดภัยคุกขามแล้วก็ถือเอาภูเขาต้นไม้จอมปลวกเป็นสาระนั่นไม่ใช่สาระอันสูงสุดไม่ใช่สาระที่พึงจะเป็นหลักประกันได้เพราะว่าชาวพุทธเรามันต้องขยับหาที่พึง่งที่มันเป็นหลักประกันได้ว่าพึ่งแล้วอยู่รอดปลอดภยัยพึ่งแล้วสบายใจ พึ่งแล้วดับทุกหลุดพ้นได้ถึงจะเรียกกันว่าที่พึ่งอันกเกษมเวลาเรารับชิ้นรับไรกันจะพูดกันอยู่ทุกวันพุทธังสันนังขจามิที่พึ่งของเราคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยแต่เวลานี้มันัเกิดอะไรแปลกประหลาดนะถ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยก็มองหาที่พึ่งแบบนึง แต่ผู้หลับไหลเนี่ยผู้หลงไหลผู้งมงายก็กจะหาพิธีลีตองบวงสวงอ on ่อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมาเป็นสารณะเป็นที่พึ่งตอนนี้อยากจะย้อนถึงว่าพวกเราเนี่ยเรียนรูป้ประวัติศาสตร์ศาสนาสักนิดดีไหมทำไมาศาสนาถึงเสื่อมจากอดียทำไมจะมาถึงบรรยายเรื่องนี้เมื่อคืนมีพระเจ้าอาวา มหาตะมาดึกมากมาหาเรื่องอะไรรู้ไหมบอกว่าตั้งกระเกิดมาฟังแระบรรยายไม่ได้สะใจเท่ากับเมื่อวันที่เท่าไรผ่านมาเมื่อไม่นานเนี้ยฟังตะมาเทศที่ช่องห้าหรือช่องเจ็ดเนี้ยเรื่องทําไมไม่ไปอินเดียช่องเนี้มาอยากจะมาหาเดียว มาศรีอาทุ่งเนมาขอแทบชุดเนี่ยบอกจะไปเปิดที่วัดอิสระใจไอ้พวกที่หลงไหลไปอินเดียว่าเนี่ยมเนี่ยถ้าก็นมา น, นึกถึงว่าเคยจำได้ว่าตอนอยู่สวนโมกเนี่ยได้ถามหลวงพ่อพุทธทาสว่าหลวงพ่อครับคุณพ่อไปอินเดียมาบ้างหเ่ยท่านบอกไปแล้วถามว่าเป็นไงบ้างท่านบอกไปเพื่อไม่ต้องไป ไม่บ้ามันก็เหลือแต่ซาบเสื่อมไปเป็นว่าองค์เจาศสนาช่วนนนงนั้นหายไปแค่อินเดียถามจริงๆเนี่ยในเมื่อเขายกย่องว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นศาสนามั่นคงแข็งแรงจะเดินที่สุดอยู่ที่เราแต่เสื่อมที่สุดอยู่อินเดียแล้วเ่าชาวพุทธเราจะไปที่เสื่อมไปที่จเจริแต่แปลกนะตอนเนี้ย กำลังคลั่งใครหลงไหลไปอินเดียแล้วพวกระดับสูงหน่อยเนี่ยไม่อยากบวชเมืองไทยแล้วนะต้องบวชใต้ต้นโพทิ้งบวชแล้วก็สึกบวชมีเมียบวชไปบัชกับพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงเมียมาอยู่ต้นโพแล้วมาบวชไอ้นี่ทิ้งเมียแล้วกลับไปอยู่กับเมียเหมือนเดิมดีไะไปต้นโพเนี่ยอะไรไรู้รัตมาก็เทไปในลักษณะแบบเนี้ย โยนใจพระองค์หนึ่งครับหลวงพ่อเทียนเมื่อก่อนเคยอยู่วัดนี้ลูกศิษย์ท่านไปอินเดียสองสามเทีย่ยวท่านบอกเ อ, อ้ยยิ่งไปลกลับมาก็ยิ่งโง่พระองค์นั้นก็ยว่าหลวงพ่อไม่ได้ไปแล้วก็มาว่าเขาไปโง่มาเถียงกันเ อ, อและตอนนี้มันชักเริ่มเกิดเรื่องข่านิยมไปอินเดีย จัดบวชจัดอะไรก็ไปอินเดียแล้วงบประมาณแผ่นดินไทยที่ไปเที่ยวอินเดียเนี่ยหลายพันล้านแล้วอินเดียไม่เหมือนอินโดอินโดนีเซียเนี่ยมีบร ม, มพุทธโธโบราณสถานันย่อยที่สุดแต่รัฐบาลอินโดเนี่ยเขามีการแบ่งสรรเงินท่องเที่ยวถ้าได้เก็บเงินท่องเที่ยวในบร ม, มพุทธโธ ได้พันล้านเขาจะชักออกสามร้อยล้านบูรณะปฏิสังขรณ์โดยไม่ชักจากคนท่องเที่ยวแต่อินเดียเนี่ยเอาหมดพันล้านแล้วให้พวกเราไปซ่อมมีค <c oughs> นอินเดียเริ่มเอาเปรียบไหมเพราะฉะนั้น ที่เกิดพระเจ้าที่ตัดเสริมที่อะไรก็ตามถ้าเราไปถึงตรงนั้นแล้วเราก็ยังไม่รู้เหมือนเดิมเรายังงม ง, งายเหมือนเดิมเรายังนึกอะไรในทางจับหลักไม่ถูกเหมือนเดิมมันจะกลายเป็นยิ่งไปยิ่งเสริมอะไรเสริมซากโบราณสถานให้เข้มแข็งแต่แนวหลักธรรมเนี่ยมันเข้มแข็งหรือเปล เอามาชอบว่าทักกันหลวงพ่อพระผมคุณาพรประโยชน์ที่ท่านบอกว่าหลักธรรมศาสนาในอินเดียที่มันเกิดแบบผิดเพี้ยนเสียหายจนกระทั่งเรียกว่าเกิดสิ่งเชื่อมไปได้ทถึงขนาดที่เรียกว่าตอนเนี้ยหลักประโยคที่ท่านพูดไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ น่าคิดจริงๆว่าทำไมหลักทําจริงสนท่านใช้คำแนวนี้นยมลงยมลงต่อถ้าใครต่อถูกวันนี้น่าจัดอันดับชายพุดเกตเองนะแต่ท้าไม่ถูกกอยอะๆไปอยู่อรุบาลท่านใช้คคำวันนี้ อย่าเสียแนวหลักธรรมอย่ามัวคลำหาต่อที่อย่าเสียแนวหลักธรรมอย่ามัวคลำต่อที่ชอบทำฟอร์มนึกๆ น, นานเดีย๋ยวพระเทศสำคัญตอบไม่ได้เหรออือ มาว่ากี่ลอบแล้ว เ, เนี่ยน้องเน่ตอบเป็นไหมยอย่าเสียแนวหลักธรรมอย่าหลงคลัาเนี่ยบวดเยอเข้ามาเช้าฉันคขามเยอะยังไม่ได้กันมาเป็นสมองมั่งเลยอะ เ อ, อ่ลองที่อันนี้น่าคิดทำไมแต่มารู้สึกว่ามันต้องหาเรื่องแบบนี้มาบรรยายสถานการณ์การประทันสอนพุทธเจ้าเนี่ยจากความรู้ความฉลาดของท่านจอมคุณพระพงค์คุณนาพรเนี่ยถอดสลักสถานการณ์พัะสมผั์สารกัรหลักคิดหลักเขียนหลักธรม พาจะได้ยังอยู่ไม่ ก, กลัวให้ชั่วโมงนึงก็ตอบไม่ถูกเจียวเวลาเปล่าเลยอย่าเสียแนวหลักงังวไปคำหาหลักลิปไปคำหาลิปลิปหรืออิทธิบาทิฐานสักด์สิทธ เมื่อไม่กี่วันนี้ยมได้ดูข่าวไหมว่าจีนห้ามพระไทยเข้าประเทศจีนด้วยเหตุแห่งเอาเครื่องรางของขังสัตวิษ์ไปขายจีนแต่นี่คนเราเนี่ยนะใครเป็นผู้ปกครองบริหารประเทศถ้าลูกบานประชาชนของตนโง่ลงทุนซื้ออะไรแล้วมันไม่มีผลกำไรฟื้นคืนขึ้นมาเลยอ่ะ มีแต่งมงายโ ง, ง่ขัดทุนเนี่ยผู้บริหารประเทศเขาจะยอมไหมเอาใครเป็นพ่อบ้านลูกบ้านเรามันเช่าของถังเต็มบ้านหมดก็แตเรามันเช่ามามันก็ไม่เคยจเจริญอะไรเลยแต่ชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละอันที่มันเช่ามานะี่ะเปืองตังปเปล่าๆนางฝักก็ฝักใครไม่เข้าขุนแผนก็ <c oughs> เหนื่อไม่มีแต่สเสียนเอ จาตงคามลานเทพเทพหรือมานเอออ่ะและเม in ื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจทหารบุคค้นวัดสองวัดดังในจังหวัดเชียงใหม่ดอยสะเก็ดวัดหนึ่งหังดงวัดหนึ่งวัดนี้เป็นวัดหาลิตไม่คิดหาหลักธรรม ไปเอาเลซินกระดูกศพแบบเนนแอจําได้ไหมเอามาเฉือนมหาหันทําเครื่องรางของขันแล้วก็ถ่ายในวันเนี้กุมารเต็มหมดขนาดพระยังไม่รอดกุมารยังไม่ช่วยะไรเนนกับกุมารใครจะขังว่ากันอุตสาห์สมารี วันนีมไม่เอาประมาณตอนนี้ว่าเลี้ยงเยง น, นียนอย่างน้าพึงใจเนาะแต่เลี้ยงกุมารลงสนบรรลัยเผาวัดไม่ได้เอา้าตกลงว่าเขาบุกเขาจับจะว่าเขาไม่รู้ก็ที่แปลกมากนะเขาบอกไม่ได้ขายคนไทยขายพวกไต้หวันพวก เท่าต่างชาติที่มาเที่ยวได้ขายริบขายดีวัดรวยเอารวยเอาเนี่ยทิ้งหลักทำหาหลักลิบพอหลักลิบเนี่ยมันแล้วลิบก็ไมไ่ตรงกับที่พุทธเจ้าตรัสลิบที่พุทธเจ้าต้องการเนี่ยมีสามลิบเรียกปาฏิหารการกระทำหรือจะทำอะไรให้เกิด ปฏิหารเนี่ยพุทธเจ้าสันสริญอยู่ไม่กี่ปฏิหารเลยอิทธิปฏิหารคือฤทธิ์ที่สแสดงฤทธิ์ได้อย่างอัศจรรย์เขอเอือนเดินอากาศหายตัวจำแนล่างได้สองอาเทสนาปฏิหารปฏิหารคือการทายเทศดักใจผลิตเปลี่ยนนิสัยอะไรได้ต่างๆได้เนี่ยก็เรียกว่า เป็นการรอบรู้กระบวนจิตสามารถกำหนดทำให้สภาพรู้จิตรู้จิตรู้ปณิสัยได้อย่างถูกต้องเป็นอัศจรรย์สุดท้ายท่าเรียกอนุสาสนีปฏิหารปฏิหารก็คืออนุสาสนีคำสอนเป็นจริงคำสอนสอนแล้วให้เห็นจริงนำไปปฏิบัติได้ผลจริง เป็นที่น่าอัศจรรย์พุทธเจ้าสรรเสริญยกย่องว่าถ้าจะแสดงปฏิหารต้องแสดงตัวเนี้ยสอนให้เห็นจริงให้ก็ปฏิบัติจริงกับส่วนที่เป็นลิบเป็นเด็ดออกเอิญไายใจดักจิตพวกเนี้ยท่านไม่สรรเสริญนะ้กัดต้งนี้นซ้ำไปแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายวัดที่วัดดังๆเนี่ยดูสิไม่รู้เลย เป็เพราะหลักวิชากระนั้นมันผิดตามที่หลวงพ่อจันลันฟังหลวงพ่อสดกับหลวงพ่อพระเจ้าคุณชดดกเขียงกันแก้แก้อารมณ์กรรมฐานกันบอกหลวงพ่อสดทันติไม่มีหลวงพ่อเจ้าคุณชนดกก็มาปลดให้แล้วหลวงพ่อสดก็ บ, บ่นว่าเราเป็นกีข้าความโง่เรื่องนี้มาตั้งนานติดอยู่ แต่ดีพอท่านหลุดแล้วเนี่ยจะกลับวว่าเตรียมจะมาสอนลูกศิษย์ที่มันติดเทอร์โบไปเนี่ยท่านเกิดอาพาธแล้วก็มรรณะภาสซะก่อนพวกลูกศิษย์ก็เลยติดเทอร์โบวิชาธรรมกายเพี้ยนไปเลยจึงทําให้ตัวดังๆรุนแังเนี่ยลูกศิษย์แนวร่างเข้าเฝ้าพุทธเจ้าใครทําบุญมากก็เขาเฝ้าพุทธเจ้าถาวายอาหารพุทธเจ้า จูจๆก็ไปคุยกับวิญญาณสติปจจบไปไกลแต่ไม่กล้าเข้าพบดีเอไออันนี้มันเป็นเรื่องที่ผิดเสียแนวหลักก็หักเข้าหาแนวลิฟเพราะฉะนั้นแนวลิฟเนี่ยกำลังฮิตมากที่ไหนที่ไหนก็จะทำแต่แนวลิฟ มีงานอะไรก็จะจับทำบุญประเทศชาติกะหวังจะแนวลิบพลิกผันประเทศให้พ้นภัยพิบัติมันทะเลาะกันจะค่ากันเนี่ยเห็นทำบุญประเทศมากี่รอบแล้วมันก็ยังลงเองดเดิมเนี่ยจนนายกบอกปวดหัวเลยองปล่อยไปมันก็จับม็อกขากันอีก อาวุธมาอะไรเพียยอีกแล้วจะเอาหลวงพ่อไหนหลุงปู่ไหนมากำจัดแผ่นดินที่มันมีแต่เรื่องวุ่นวายเพราะจับหลักไม่ถูกเพราะจับหลักไม่ถูกโอ้รับสงฆ์แต่ก่อนเคยแข่งขัดปฏิบัติในธรรมวินัยพอเห็นเขาทำฤทธ นี่ดันได้เงินดีหลายานสกาละเข้าเยอะก็เลยติดเลยเจ้าเดียวนี้วัดไหนมีฤทธิ์หลวงปู่มีฤทธิ์หลวงปู่มีฤทธิ์กลายเป็นหลวงปู่ที่แถงฤทธิ์ให้ศาสนาเสื่อมโดยไม่รู้ตัวเอ้าเออชื่นทานเลยแกลุงชิดลุงอันได้กดได้แทงหลวงปู่โง่เงี้ยทำเครื่องรางของขังขายพอมรณะภาพมีเงิหพันล้าน เรื่องเงนพันล้านา น, นนะีน้อยไหมสาหรับล่ะแนวหลักคือพุทธเจ้าเนี่ยก่อนบวชท่านรวยพอออกบวชแล้วท่านจนอยู่จนจนนะเจ้าเนี่ยจนหนักันหนักเลยจากรวยพอบวชจนหลวงปู่หงก์บวชจนบวชไปบวชมารวยก็ยังไงกแบบนี้รวยเพราะอะไรเห็นหันเหเขาหาฤทธ อิทธิปาติหารเครื่องรางของขังคนก็ไปเช่านั้นก็เขา้าหลวงปูง่ห้าพันล้านได้เป็นเหตุให้ลูกหลานท่านจับกรรมการไว้ซับกั น, กนขึ้นลงขึ้นศาลฟ้องร้องจักท้ า, ท า, ายไปใตมานิดถึงตอนที่อินเดียเสืมเนี่ ศาสนาอื่นลุกข้ามาอินดูบีคัอิสลามลุกน้อยพระงัวแต่บุกเสกงมือตอนเขมรที่พังเนี่ยจำได้ไหมต้นตำรับเขมรเนี่ยพระขรังศักดิ์สิทธิ์มากกว่าเมืองไทยพายันเนี่ยต้นตำรับพระประเทศไรทำพายันเก่งที่สุดเขมรแล้วถูกไอ้พวกคอนิ้ตางแดงเปนแดง เอาเอ็นสิยังพระที่มีพระยันลงบองตายเป็นเบื่อยเลยเหลือไม่กี่องค์เลยเนี่ยเป็นยงไงตอนนี้มันคล้ายๆอะไรนี่มโสงวั น, นชักเฉลียวใจอะไรขึ้นมาแวแบบ้บๆเราก็ไม่ได้ละแวงศาสนาอื่นถึงขนาดนั้นคุณเซิง ไปเปิดมัดสยิดใหญ่ที่สุดในกัมพูชาเขาส่งเงินมาจากทางอะไรมาสร้างมัสยิดที่สวยงามใหญ่ที่สุดในกัมพูชาซึ่งเมื่อก่อนมีพุทธศาสนาแน่นฮินดูแน่นตอนนี้อิสลามแน่นปักหลักเดี๋ยวก็จะเริ่มไปพม่าเดี๋ยวก็จะเข้าลาว ของเราไปเกินขึ้นเ่ยเวลาอะไรจะเสื่อมนี่ถ้าเราดูประวัติศาสตร์บ้างแจ้ของเราจังหวะนี้มันกำลังเข้ากระแสไหมโอ้โหต้นมาเนี่ย น, นั่งรถไปแล้วมันสะท้อนหัวใจงานวัดที่จัดสวดพันยักษ์โอ้โหบุ้งบุ้งบุ ง, บ ง, บ ง, บงสวดอะไรกันมนี่ย ม่เหมือนเหมือนเทาเวสวรรมายุ่เกิดวัดนั้นจริงๆอ่อจุบทมไเคยจำเคยเล่าให้ฟังใครเคยได้ยินไมสักยี่สิบปีมาแล้วเด็กมันร้องไห้มาวัดเนี่ยมากับแม่มันร้องมาตลอดถามว่าเดี๋ยวจุดพบไหมแม่เดี๋ยวสวดดังไ้ยแม่ให้เราก็สงสัยว่าอะ ไ, ไรยอมเด็กเขาเป็นอะไรอ๋อ มาสามวันก่อนฉันพาไปวัดเขามีเทศสวดพันยักษ์แล้วก็จุดผุแล้วก็มีบุงปังบุงปังไอเด็กก็ฝวันเสียเลยมันร้ อ, องเลยร้องอยากก บ, บ้านไหมอยากก บ, บ้านไอแม่บอกเดี๋ยวพิธีเสร็จก่อนให้พิธีเสร็จก่อนรอใส้ศีลรออะไรน้ำมงน้ำมนต์เลยบนที่สุดไอเด็กคนเนี้ย ไม่ฝังใจเลยแค่ว่าไปวัดเนี่ยตัวเจอบรรยากาศพิธีเทศผันยักษ์เทพผันยักษเนี่ยโยงว่ามันเกี่ยวกับมนุษย์พวกเราไหมมนุษย์พวกเรากําลังมีปัญหากับยักษ์ไหมเนี่ยเรากำลังมีปัญหากับยักษ์ไหมโยงแล้วทำไมเราจงไปยุ่งกัน เพาเราเสียแนวหลักเราจึงหักเข้าหาแนวริทแนวริทจึงหนีจึงฟิตจึงกําลังขาขึ้นไงว่าไงแต่แนวหลักธรรมที่กําลังขาลงลงอย่างชนิดที่ไม่น่าเชื่อโกองกันทําบุญอย่างนี้มันลงถึงขนาดนี้ได้ยังไงทำไมอย่างา ง, งโกองเงินคนแก่ไปทําบุญแก่ไปลอยล้านพันล้าน บุญบ้าบออะไรเจ้าตัวต้นบุญใหญ่ติดคุกแล้วเออไม่ให้ประกันเรื่เที่วนี้มันหมายความว่าเรามันเสียหลักแม้กระทั่งหลักบุญก็ไม่ถูกต้องที่บอกว่าทําเยอะได้เยอะทํามากได้มากแล้วพวกที่ไม่มีจะทํำมาทำไงทั้งที่หลักมันมีสองอย่างที่จะได้บุญเยอะหนึ่งทรัพย์ที่หามาได้บริสุทธ สองไปทำกับเนื้อนาบุญที่เป็นพระบริสุทธิ์ถ้าสองอย่างเจอกันก็สุดๆเขาบุญบริสุทธิ์แต่ถ้าไปโกงเขามาเนี่ยทำกินในเนี่ยอดีตการจากก่อนเนี่ยสามสี่ห้าลอยล้านเนี่ยมันเงินโกงเราทำบุญยี่สิบบาทวันนี้เนี่ยแต่เงินบริสุทธิ์ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรง ไอเงินกองสามลอล้านเนี่ยใครได้ทำบุญบริสุทธ์ด้ยี่สิบบาเขาได้ต้งมาบริสุทธิ์แล้วก็เลยเต็มๆแต่ยิ่งไปเจอพระบริสุทธิ์ยิ่งทำลารหลงสองิ่งเแ่เราได้เงินบริสุทธิ์แต่ไปเจอพระไม่บริสุทธิ์เราก็ดอกไปหน่อยแต่ถ้าสองบริสุทธิ์ เราก็สบายใจทําแล้วก็สบายใ จ, ยใจไอ้คําว่าจิตใจบริสุทธิ์เนี่ยจะมาชักเลิศรู้สึกว่าไอ้เมื่อก่อนนี้ลัดเจ้าทำดีทำจิตได้บริสุทธิ์จยู่ทีไม่รู้เกิดหลัง จ, งจากจะมาป่วยเนี่ยต้องป่วยในร่างกายแล้วมันเหมือนไม่บริสุทธิ์มันมันมีเชื้อโรคมีหวัดไตพันไม่ มีอะไรอะไรไมีทู้ทางเลเหมือนเหมือนขวากเหมือนเดินก็ซุ่มไอ้ก็ไอ้แล้วก็ชักคิดอะไรได้เยอะกว่าตอนเรียนหนังสือนักดนตรีตัวเองไอ้ตอนเรียนเนี่ยแม่นิจังทุกขั้อนาาอันตาอันตาอันตาในท้องกันนีงถ้าไม่มีหลวงพ่บอบุธทาแปลไว้แบบนี้สมาคมคงคิดได้ยากเหมือนกันคำว่า ไม่ใช่ตนเพราะมันไม่อยู่ได้ด้วยตัวของมันมันต้องอาศัยเติมนูน่นเติมนี่เติมนั่นมันถึงอยู่ได้ถ้าตัวมันเองมันต้องอยู่ได้ด้วยตัวของมันโดยไม่ต้องมีอะไรไปเติมให้มันมันก็อยู่ได้โอ้ตอนป่วยอยู่หมอพยาบาลมาเติมทั้งคืนทั้งออกซิเจนทั้งไอนุนไอนี่ ทำไม่เติมมันคงไปแล้วไม่ได้มีกลัวเติมต้องเติมตกลงที่อยู่นี่อยู่ได้ด้วยเติมเติมอาหารเติมยาเติมออกซิเจนเติมเปล่าเติมสายพยุงพยังเต็มไปหมดถ้าตัวของมันนี่มันบอกไม่ต้องยุย่งอย่ามายุ่งกับกูกูจะอยู่ในตัวของกูตอนนั้นพูดไม่ได้ แต่หมอจะกูนะจะให้แต่มาไปหรืออยู่ถ้ากูจะให้อยู่เขก็ต้องรูม้มาเติมเราก็ต้องรับตอนรับเนี่ยเราอย่าอวดอย่างโง่ว่ากูทั้งนั้นเลยที่เติมเติมเป็นของกูหมดพอเขามาเติมต้องนึกไว้เลยกูว่าแล้วมึงก็อยู่ได้ตัวของมึงไม่ได้มึงต้องให้เขาเติม พูดตอนช่วงไม่สบายนีย่ได้ประโยชน์ทางธรรมะเยอดได้ธรรมะเยอะมานึกถึงตอนไหนหยดตอนที่เรารู้สึกฟื้นไข้ไม่มีแล้วหวัดหายแล้วเดินตัวตรงตอนแรกจะไปวิงถ้บาดหมอบอกไม่ต้องเอาไหมจะไปว่ะหมอคำลากทออสเย็นถังจัดไปด้วย มาว่าอะไรทานวลาใครจะทำทังแก๊ไปด้วยมิได้บานยังไงไอ้ น, น, นบอกว่ายอมย่อมหนอแต่แหมมันรับงานใหญ่อะรับงานใหญ่ที่อุดรคนตงองุสี่ห้าพันมต้องอยู่หาวันไหนงานไม่ได้ ตรองวรอยู่ในสายไหมทำงานกวดีอยากรู้เทคนิคไหมออกอนยังไงหม้อถึงยอมอ๋อแกก็พุทเบาๆก่อนยอมอเคยได้ยินคำนี้มยอมเสียสักเพื่อรักษาวัยยวัยยอมเสียววัเพื่อรักษาชีวิตบางที้องยอมเสียชีวิตเพื่อรักษาทั้มด มาอยากจะปฏิบัติทางข้อนี้ก่อนตายหมอรีบหน่อยนะโอ้ยอ้ติด้ติไอหัวน็อกกัดเลยยก ม, มันขอก็เลยก็อัดให้เด็กมันอัดตอนเทียงก็หมอแล้วโดนอีกไม้เนึ่หมอยอมเลยตอนไหนรู้ไหมตอนรพระพุทธเจ้าประชวนอภพาฎใกล้จะดับขันพระนิพษุพระอานนท์เฝ้าไข้ ไมใ่ใครมากวนมิสุพัทธบริพาชกอายุมากแล้วอยากเข้าทูนถามปัญหาบุรุษเจ้าผ้านอนบอกจยากกวนท่านเลยท่านโอ้ทำงานมาสอนคนมาสี่ห้าปีอย่างเนี้ยให้ท่านได้พักบ้างเถอะอย่า ก, ก็ไปกวนเลยพุตรเจ้าเห็นพระอนุนกันทธาไม่ให้สุภัทะเข้ามาถามปัญหาจะได้ประโยชน์จากท่าน ท่างก็บอกอ น, อนนอีกทางนี่เขาเข้าม า, าตอนแรกเราจะอย่าให้เขาเสียประโยชน์ที่จะได้จากเราในวาระสุดท้ายของชีวิตเราเลยปล่อยเขาเข้ามาและอนนนเนี่ยน้ำตาทะลุต้องยอมให้สุภทัททะเข้าไปกวนพุทธเจ้าตอนสุดท้ายบังปลายชีวิตพอถามปัญหาเสร็จพุทธเจ้าก็ดับ และมนจะถึจะงจังวะอารมณ์สุดท้ายนี่พอโดนไม้นี่นมนหมอก็<ะ>ทำมวยในของท่านไม่เหม <c ười> ือนใครไปเออก็เลยเด็ดไปมูจจะคนเยอะจริงห้าหกพันคนได้บอกหมอหมอเมตตาจะมาคนเดียวนะแต่หมอจะทำให้คนอื่นติดวังตั้งห้าพันหมอ บาปเหมือนกันทุหออกหอหย่แต่หมอคนนี้ก็ดีนะเ้ารักษากรรมาเนี่ยค่ายาเขาไม่เคยคิดเขาก็เป็นเจ้าของบ้านว่าอะไรแต่หลายแสนนะาาเนี่ยต้องไรักษาไม่ไม่เคยคิดเลยตัดท า, ากันจนตัวไปทีไรก็เอามากลางปปลาดาาโดยบาร์กุฏิไม่หยอมาคิดดูว่าเรานะ่ ถ้าชาวพุทธเราเนี่ยไม่มีหลักธรรมหลักใจอะไรกันบ้างคิดดูแล้วเนี่ยถ้าเราจะเสียหลักธรรมแล้วไปหาหลักปฏิหารหลักฤทธิ์อิทธิแล้วมันยังไงอ่ะตกลงว่าเราก็เสื่อมแน่เดี๋ยวก็ไปแบบอินเดียอีกเพราะว่ามันยังไงก็ต้องผิดอ่ะ ตอนนี้มีมูลเหตุในพระไตรปิฎกภาษาบาลีสยามละ ม, มีอยู่ตอนหนึ่งนะท่านบอกว่าเหตุที่พิกษุมีมูลเหตุที่ทำให้ศัทธธรรมมันเสื่อมสูญมันสัตหลายหรือศัทธธรรมเสื่อมลงไปเนี่ยเป็นวันพราะหนึ่งพวกภพิษุเรล่าเรียนสูตร อันถือมาผิดพอเรียนมาผิดเหมือนอย่างกที่หลวงพ่อสดท่านบอกว่าท่านเรียนวิชาธรรมกายช่วงแรกมันผิดทาไม่ได้การแก้ไขเนี่ยความผิดเนี่ยมันก็เลยทำไม่เกิดอะไรต่ออะไรในวัดในศาสนานั้นอย่างแย่ yeah. ทั้งพยัญชนะทั้งอัฏฐถ้ามันผิดเมื่อบทพยัญชนะผิด นั่นก็ไปกันผิดกันไปไปเรื่อยๆความหมายก็คเคลืขึ้นซึ่งจะทำให้พระสัทธธรรมเนี่ยเสื่อมแล้วก็ศูนย์ในอินเดียนี่ไม่น่าเชื่อว่าศาสนาเคยรุ่งเรืองพระเจ้าอาโศเคยอุปถัมภ์สร้าง an, เจดีย์วิหันพวกเยอะแยะไ่หมดแต่แล้วก็เสื่อมได้แล้วก็ที่ปัญหาใหญ่ตอนนี้ ข้อที่สองเนี่ยภิกษุเป็นคนว่ายากประกรอบด้วยเหตุที่ทำให้ว่ายากคือไม่อดทนยอมรับคำตักเตือนได้ไม่นานรับได้ก็ไม่เคารพเคารพ ก, ก็ไม่ทำตามหนักๆ ก, ก็ดื้อกลายเป็นคนว่ายากสอนยากดื้อรั้นความดื้อรั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำไม่เสื่อมง่ายมาก น, น้องเนรน้องเนรวัดชนแก้วจะดเส่มอมเพราะเนรรุ่นนี้ไหมน้องเนเนี่ยระวังนะเขาบอกว่าที่นึงเนี่ยที่ไหนก็ได้จะมีต้นบุญกับต้นบาปเนรบางองค์เนี่ ย, งองยโอ้ บวชเข้ามาชวนเพื่อนสวดมนต์ชวนเพื่อนทําสมาธิชวนเพื่อนเดินจงกรมแต่บางองค์ชวนไปเล่นเกมก่อนชวนไปเล่นทำบวชเมื่อวานหลวงพ่อว่าไงต้องปิดจอดูใจเพราะที่แล้วมามันเคยมีเด็กโง่ดูจอเล่นจอติดกระจอจนฆ่าแม่เพราะแม่ขัดใจ ที่ห้อลูกอายุสิบสี่ปีมันนั่งเล่นกดเกมแล้วแม่มันเตือนให้ไปนอนน่ะมันฆ่าแม่ได้เพราะนั้นในช่วงภาคฤดูร้อนเนี่ยเราลองมาปิดจอดูใจจอทีวีจอโทรทัศน์จอโทรศัพท์จอคอมพิวเตอร์มันเยอะเหลือเกินจอเดี๋ยวนี้ใจนี่มันหลาใจเดียวแต่ละคนมีแค่ใจหนึ่งดวงเดียวเนี่ยฝ้าดูให้ดี อย่าไปเสียเวลาดูจอเยอะนะโยบถ้ายอมเปิดดูจอนะมันมีสิ่งหนึ่งที่จะมาแต่อย่างานี้เขาาเขาจะเริ่มแล้วนะที่มันโฆษณาขายเครื่องรางของขั ง, งนาฬิกาอะไรสารพัดอย่างอะ่ะสักสิบหมดอะ่ะอะไรอะไรของมันอ่ะตอนนี้มันเอามาขายสักสิบหมดเอ้ถ้าโยอามแล้วมันเป็นเงาเงินไหมแล้วให้เราทำประกัน สักจิตสักจิตแล้วมาเปิดทีวัดเนี่ยในทอโดยธรรมชาติมนุษย์เนี่ยถ้าอะไรเป็นของดีที่สุดของตนมันจะให้เช่าจําหน่ายมันจะเปลี่ยนมือไหมโดยธรรมชาติสัญชัตว์ยานมนุษย์เนละถ้าเรามีอะไรสักชิ้นหนึ่งมันดีที่สุดมันคุ้มของเรามันช่วยเรามันมันให้เราอยู่รอดปลอดภัยที่สุด แล้วเราจะไปให้ทำไมมาเช่าทำไมขายทำไมเรามีนางฝักอู้พอตั้งกรมมาตั้งเนะี่ยฝักคนเข้าเต็มลานหมดแล้วมีมีคนมาขอเช่าเาี่ยโยกไปจ่ให้ไหมันโดยธรรมชาติแต่นี่มันเปิดให้เช่าทั้งวันแล้วขายเช่าก่อนลดราคา อ, อ่ะเสะดอหด่ด ทำจริงดคนไทยนี่มันโง่นนหน้าด้ยเมื่อกี้นี่อ่านคอลัมน์มาคอลัมน์เขาเขียนว่าไงรู้ไหมคนไทยคือคนป่วยรายไม่แห่งเอเชียแล้วปวยอะไรอะไรอะไรก็จกัดลำดับมาไงป่วยความเรวสารทั้งสังคมเรื่องรู้สาวเพศแยๆ่ๆเสื่อม ท, งทางการทํา ง, งานไอ้ที่ทํางานนะ่ะ ไม่แก้เรื่องค้ามนุษย์ไม่แก้เรื่องขึ้นบินทัวร์เที่ยวตอนนี้เนี่ยการทํางานข้าราชการไทยเนี่ยก็บอกป่วยที่สุดป่วยที่สุดการศึกษาก็ป่วยสู้เราก็เหีนก็ไม่ได้ป่อยลให้ให้เรืบินเราทูกมองว่ามาตรฐานต่ํานี่เนี่แล้วมันอยู่กันทำไม อู้แล้วที่น่าชังใจที่สุดคืออะไรไม่รู้ถ้าเมืองไทยทําไม่ได้และไม่ทําต้องถือว่าเป็นประเทศที่ตกต่ำระยันมากที่สุดคือไอ้พวกเจ้าหน้าที่ราชการที่ร่วมกันโอนที่ดินป่าเขาทําสนามก็ทำโมซ่าเรื่ออะไรเนี่ยทําว่าผูว่าต้องเซนที่ดินอะไรต่างๆไว้ท้องแม่ทัพภาคกับการร่วมกับยุคนั้นน่ะตายยัง ใครก็าทำไปยี่สิบปีแล้วมายึดคืนเขาแต่คนบางคนา่าจะสะใจสมน้ำหน้าไอ้คนที่ไปไปลุกแต่มันลุกเองไม่ได้มันต้องมีคนเซนกำกับให้ลุกและไอ้เซนกำกับของใครก็มีพู้ว่ามีที่ดินจังหวัดในอำเภอตายหพวเนี้ ย, ยละลงมาหน่อยได้ไหมนี่ ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องเก็บภาษีที่ดินหรอกเก็บไอ้ที่มันโกงๆกันน่ะเอามาพัฒนาประเทศในบานเลยหลูงตมาว่าไอ้พวกไอ้ที่โกงที่หนึ่งเนี่ยกกมที่ดินโรงพักที่สองโรงเรียนรัฐบาลที่สามี่ก็จัดระดับกงนั้นนั่นมันจะเอาวะเปล่าลากมาในที่ดินเอามาเท่าไหร่เท่าไห่น่ะคนที่มันเซ็นเน่ยที่ไปทําสนามนั่นอ่ะแทงรถเน่ะ ทางมันสมุลอยไล่มันต้องค่าไดค่าจ้างเต็นเท่าไหรยังไม่ได้เลยเลยถ้าได้ขอให้นายกก็ดีช่วยลากขอถึงจะบอกอ้อยเข้าปากช้างเยอะอยากการช้างมันใหญ่แขนคนมันเล็กแต่นายกบอกไม่กลัวใครเมื่อกี้นิยมไม่น่าเชื่อขาเมื่อกี้เนี่ย มันหลอกเด็กผู้หญิงไปบังคับไม่ขายตัวเขากำลังลนรงคงจัดการค้ามนุษย์มันไม่คลัวเลยเมื่อกี้เนี่ยบังคับเด็กวิ่งแมุ่ชสิบสี่สิบห้าออเขากำลังไปช่วยเด็กไม่ได้ไอ้ตัวสามสิบสี่สิบเป็นแม่แล้วแกหาเด็กม า, ต อ, ต, า, าอตอนตายายความน่าตนี้เขากำลังอย่างงี้น่ะ คนไทยนี่มันป่วยทางกฎหมายแล้วไม่กลัวกฎหมายไม่ไม่เก่งอะไรเลยอเขาเขียนดีนะคอลันเนี้ยคนป่วยใหม่แห่งเอเชียคือคนไทยป่วยหลาได้าคันศึกษาก็ป่วยพฤติกรรมปฏิบัติต่อจารีกขนอมธรรมเนียมประเพณีปีนี้นะเขาบอกเขาจะเอาจริงนะไมเล่นเล่นสองการลามกเนี้ย ไแต่เนี่ยจับเลยจับเลยยุคนี้จับเล ย, เล ย, ย, เลยสแสดงที่แล้วว่าป่วยมาตลอดไม่ได้ไม่ได้ทำได้ี่เขาไม่ให้ไปเล่นของการที่ไหนก็มาที่นะีทท่นะงาที่ที่ยมหรือไม่หนุบอีกเเรามาพริกอะไรกันใี่มันจริงจังสักทีเยชาวพุทธจะได้เข้มแข็ง หลักเข้มแข็งลิปอ่อนลงถ้าหลักอ่อนลงลิปเข้มแข็ง ข, ขายลิปตอนนี้ประเทศไทยนี่มึขายลิปออกซีวีกันหน้าดูแล้วไม่เห็นมันมีใครไปไปกบวออะไรไม่เห็นจัดการโอ้ขายกันจังเลยนะไอช่องที่ดา่าด่ากันเก่งๆอะ่ะทั้งเหลืองทั้งแดงเดือดขายลิปหมด เรียไขายลิบหมดเลยเพราะมันเสียหลักมันกัดหักเขาหาลิบอย่างนิดัวมิดอูเลยไม่ได้เหลือสติปัญญางอกขึ้นมาเลยมันมีแต่ลิบโง่ๆงอกออกมาเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่นี้นะจริงๆนะโยมอามาเยแหมอยากจะถ่ายภาพมา้โยมดูไปบินทบาดีนะซอยบ้านเล็กบ้านน้อยนะ มันจะมีนางฝักลือสีนางตั้งเขียนพิคะแนนเท้ามาหาพมล้าออกมาหน้าบ้านนั่นหวา น, นมันแค่แค่ตั้งแข่งของมึงกี่อของกูจะหามาเพิ่มมากกว่ามึงของมึงแค่หน้าบ้านขอกูครึ่งถน น, นมันลุกมันลุกกันอยากพาไปดูจริงๆไปบินสะพาน ง, งงเลยสมัยที่จะมาบทใหม่ๆนะ ไม่มีที่บินตำบาตไปเจออะไรหน้าบา้านเต็มๆแบบนั้นนะ่ะนางปักนางตะเกียนแค่เดี๋ยวนี้ขอไป ท, ที่ตะกตวดมันเอามันตะบาเป็นของศักดิ์สิทธิ์หมดเต้าเต่ามั่วมั่วเลยเออแต่เน่ยคนไทยทำไมเกิดมาโงงง่ายแบบฉชนิดนี้พุทธบริษัท แปลว่าบริษัทท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่าไม่งมงายลงไหลงเงาสุดๆเลยตอนนี้ต้องถึงว่าสุดๆเลยเนี่ยทำให้พวกหลวงปู่หลวงพ่อมีเงินเก็บเป็นพันล้านหลวงปู่ของมรณล้วนะประาพันลาไม่กี่วันหลวงปู่ายบุรี่ลังเจ็สิบล้าน แล้วที่เงินเนี่ยไปเน่ากองสูญหายมากมายกายกองที่สุดก็คือวัดที่มีพุทธรูกมีฤทธสัจปัญญาเช่นหลวงพ่อทันใจสนใจนึกพวกนึกได้อย่างใจเนี่ยพวกหลงพ่อนึกได้อย่างใจเนี่ยทย่ายังไงจะได้มาไว้ที่วัดสักองคนึกเราได้อย่างใจหลวงพ่อทันใจนึกอะไรก็ได้ทันใจ จำได้ไหมที่เงินสี่สิบพล้านแล้วปลวกกินนะหลวงพ่อไม่ดูปลวกเลยปลวกกินไปตั้งหนะลายแะ้วสี่สิบพล้านเนี่ยมันเป็นถึงยุคถึงเวลาแลยที่ต่างบอกว่ามันใหญไงหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อชุดทาท่ทานเป็นพระมีหลักท่ากันเลยไม่หลบหลักไปหาลิบท่านก็ผลักลิบ มาอยู่กับหลักทัานจึงเป็นพระที่เป็นหลักชัยหลักทำให้พวกเราที่เป็นลูกศิษย์ลูกหลาถ้าไม่งั้นป่านนี้แต่มาว่าหลักร้อยแต่ลิล์รุ่งเรืองหลักป้าแเป้แต่นธิดโลดโผนโอ้ยเรามีลทธิ์โลดโผนมากอะไรตอนรก็ไม่รู้ นี่แตมาชักจะเริ่มงงเลยนะแม่ก็ว่าพระทำมายุดไม่จับเงินนี่เขาออกม า, าตกใจพระหมอที่โดนยิงตายเท่าไหรป่ป่ะสี่สิบเอร์เขนาดว่าไม่จับตังค์นะไม่ได้ไงถ้าไม่แตมานี่ถึงลงไม่พ่ออยู่เลยตอนที่แ้่แต่มาก็จะไม่จับแต่พรอบอกว่า กำหมัดถ้าจับไม่หมัดทำประโยชน์สุดวา่าถ้าไม่จับไม่ต้องดูแลไม่ต้องกังวลสุดแค่นร่มาก็เลยเนี่ยเดีย๋ยวนี้ได้ยินได้ยินเก่าหูบ่อยมากคนมาจากต่างประเทศเขาดูช่องห้าเมื่อวานนี้ก็ตั้งมาแต่วัยจ้ำพันจีไปเขาบอกว่า เชอาที่น้องพ่อมีเมตตาเด็กให้เด็กมาทำงานโอแต่แม่ยังขอพูดจังวันนี้เลยก็แล้วกันนะโยมนะเพราะนะศา <c oughs> สเทศมาหลายรอบแล้วนะบอกว่า <c oughs> ให้ทานก็ไม่เท่ากับเมตตาเมตตาก็ไม่เท่ากับเจริญอานิจจาสัญญานี่เด็กมาอยู่ตั้งหลายอาทิตย์ยังไม่มีเจ้าชาไปติงเลย <c oughs> มันหมายความว่าไงฮะมันหมายความว่าผู้ใหญ่ไม่มีเม็ดตาใช้ว่าเนีย่ยเลยบอกหลอกเด็กเขาบอกว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าภาพหลองพ่อเปนดิเดี๋<อ>ยวเราลองคิดนะที่แรกทํามาก็คิดไม่ได้ไอ้มันคิดยังไงไม่ออกนะมันไม่เหมือนสถานการณ์เกิด เดี๋ยวนี้ก็มารู้สึกเลยว่าตั้งแต่เรามีเมตตาเด็กให้เด็กมาหาเงินจ่ายเงินก็ปีสองสามล้านยนเชื่อปะมันมีเรื่องที่ชัดมากชัดมากๆเลยมีความรู้สึกปแปลกๆเกิดขึ้น ไปบินกระบเนี่ยโหวันนั้นไปบินทบาตกลับวันพระไม่ทันตั้งใจว่าวันพระจะกลับมาขึ้นลานยินโกกลับไม่ทันไปบินกระบะตลาดรถไฟคนใส่ใบถล่มตลายย่อมลงเดาที่ได้ทเทนแล้ดาสีม่มมันมีคนบอกว่า มึงไม่รู้เลยเดินเมษาเนะี่ยไปดูที่วัดท่านดิเต็มเต็มใส่เปห้ดมีแม่ค้าคนหนึ่งไม่น่าเชื่อเลยปอนปอนแต่งตัวปอนๆนนุ่งผ้าถุงขาดาเก่า ๆ, า ๆ, าๆใส่ซองเต็มเลยจีบไอีกพวกคุณนายเดินไปใส่ติดเตี้ย ค่ะแต่ตัวเปนปอนใสสีงาคอนแล้ววันนี้ก็น่าปลื้มใจนะโยมเขาบอกให้พูดอออากาศมีคนมาถวายเชตรามมาตั้งแต่วันก่อนแต่ไม่เจอไม่เจอก็กลับไปกลับไปมาให้เขาก็พูดกันว่าเดี๋ยวจะมาจะมาจะมาเราถามประมาว่านี่ไปหลวันแล้วตรงใจจะหลง เขามาวันนี้มาตะวันเช็ดหลังแนละ้วก็บอกมาเห็นเด็กเห็นอะไรชื่อใจว่าได้ทำบุญทำทานด้วยมาเรียงน้ำอ้อยแก่ก็ดึงน้ำอ้อยจัดมะปรากก็ชงใหญ่แค่นี้นะสิบห้าโหลร้ลานหนึ่งทำไม เนี่ยมันทีมันก็แปลกเหมือนกันคือคนเราเนี่เวลาเรามีจิตคิดเรื่องพันนี้แล้วเนี่ยมันเป็นบุญอย่างที่พระเจ้าปรัสจริงจริงไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะมันก็แต่มาทำบุญก็ทำไปแต่ใจก็โหดอย่างไอ้โกงเงินเขาไปทําบุญเนี่ยมันไม่มีทางเลยที่มันจะได้มีบุญไลยไม่มีเมตตาเลย คนแกจะเก็บเงินไว้ใช้ตอนแกทุกโกะไปทำบุญฉันไม่ได้เลยแต่มาไม่เชื่อเลยว่าไอ้พวกนี้จะได้บุญติดสันดานไปมันน่าจะได้บาปไปเพียบมันไได้ติดขกุกทั้งบุญมีไปติดก็เ็นถ้าไม่เอาของคนอื่นรับเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเรานะถ้าเราไม่หลุดจากแนวหลัก ไม่มีอะไรที่จะผลักเราไปหาแนวลิตแล้วแนวลิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลิตแบบรุ่นไหนรุ่นไหนมามันเคยมีผิดพลาดมาเยอะต่อเยอะด้วยกันตรงนั้นแหละพวนาพุทธโธนิกอนพวกนี้ก็เปงอิงลิตร ย, ยิ่งเน้นคำในโยมว่ามันยิ่งอิงลิตรไหมนะแล้วป ไ, ไปไงไปรอดไหมไม่ถ้าไม่ทิ้งแนวหลักนี่ย มันไม่หักกหาแนวลิบเนี่เขาก็อาจจะเป็นพระที่อู้ช่วยประโยชน์พระศาสนาเยอะคนศรัทธาเยอะมากแต่พอมันทิ้งแนวหลักหักกหาแนวลิ์นี่ไปหมดเทวทัตเนี่ยยูแกไม่ใช่ธรรมดาถึงขั้นชานลิ์สูงระดับเกาะได้แล้วก็แปลงร่างเป็นงูเป็นอะไรให้พระเจ้าอาจารศัตรูตนอนนี้ย่างอายุ น, อยน้อยอะ่ะ ก็เคลื่อน์ไพอใจเลยสมคุตสมรู้ลงคิดพระอาจารย์กูมีฤทธิ์เอเรามีพ่อเป็นกษัตริย์ล่วมหัวจอมไทยข้าพระเจ้าพิพิษานดูลิดูลทธิ์ฤเทวทัทั้งในเทวทตกนรกหมไม่ถึไป น, นสุขชบุญ ม, มาข อ, อยกเป็นพระมีิ์เย ลงเดี๋ยวลงนี่ถ้าเป่าหัวใครแล้วมันพึิกของขึ้นแล้วก็ตายละมากันใหญ่แม้เดี๋ยวนี้เบื่อรยม่มชักเริ่มเบื่ออายุมากขึ้นชักเริ่มโดนหัวเอียงมไม้เป่าเยอะขึ้นไม่เป่าก็ลูบหน่อยเองดีเ อ, อเดี๋ยวสอบท่อ ง, งนิดพอแล้วยเออโยม หัวใครก็หัวมันดูแลกนันไดีอาา่าอ า, าันงพอ่อเนี่เป็นต้นแบบทไม่ตีไปเ็เรืยมันก็เลยในวันหลัหลังวันหยอมก็น่าจะใกล้เคียงหลวงพ่อคูนเขิสี่ว้นาทีแต่หวพ่อคูนันก็ทำไมนะแล้วก็เอาหนังสือพิมพ์เนี่ยนะ คนก็ติดไง่นะอยอดติดเยเดี๋ยวนี้เดือนนึงเนี่ยจะต้องมีคนเอียงหัวมาให้เข็ดมาให้ลูกมาให้จับน่าจะเป็นรอยนะตรงนี้นี่ถ้ า, ายุคแปดสิกจะเท่าไหร่นี่กนี่ขนาหกสิบกว่ า, ยาเยอะขนาดนี้นะถ้าพองออมมา น, นั่งขอยางข้อทั้งวันตายเลยยังไงก็แนวลิบเนี่ย อให้มันไปที่อื่นแนวนี้ขอให้เป็นแนวที่เราจะต้องรักษาหลักเกณฑ์เรื่องบุญเราก็จะไม่ล้อใครว่าทําเยอะได้เยอะแตนมากได้มากแต่เราให้เขาทําแบบจเจริญอนิจจ์สัญญาจเจริญเมตตาไว้เถอะแล้วเขาจะได้บุญมากเขาจะได้ไม่ยึดติดเขาจะได้เข้าใจความไม่เที่ยงถ้ามีมีคนนะ อยู่นี้จะมาฟังดูแล้วก็ได้รับความรู้สึกเออสิ่งที่เราทําไปมันไม่สูญเปล่ามีคนเริ่มบอกว่า อ, อือเมื่อก่อนทำไม่เคยได้คิดเลยว่ามันไม่จับเราเราจับมันเดี๋ยวนี้ก่อนจะทํามันจับเราเราจับมันคิดไปคิดมา อ, อือให้แล้วมันมีอารมณ์ดีกว่าจิตบริสุทธิ์กว่าคือตอนก่อนเนี้ยทําก็ขอให้มันได้อย่างงน้อนะอย่างนี้ขอไปเลยโยม ยมอย่าไปคิดอธิษฐานเอาเยอะนะมันจะเสียความบริสุทธิ์ของจิตง่ายๆจะไปจบมาง่ายๆแอดมันยู่กาแล้วก็ไม่เกลียดแล้วเราจะมีอารมณ์ที่บริสุทธิ์มากสบายเหมือนตอนที่จะมาบอกว่าพอให้หวัดออกให้ไม่มีร่างกายเราบริสุทธิ์ผูมคุ้มกันดีโอ้ยรู้สึกหายใจเต็มปอด ตอนมันป่วยเนี่ยมันหายใจไม่เต็มคอโอ้หม่มันนั่งนึกว่าละชั่วทำดีส่วนใจเราความไม่ถึงข้อทำจิตให้บริสุทธิ์แล้วไปแกะทำดีทำดีดีทำดีแล้วก็ทะเลาะทำดีมันอะไรมันบัวเบี้ยนะแต่ถ้ามาสนใจเรื่องจิตบริสุทธิ์จิตสบายจิตสงบพระเจ้าเพิ่งบอกให้เราก็ยกจิตไว้ เหมือนคนที่ประคองน้ำมันในกระทะเดือดเดือดเนี่ยถ้าเราถือสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ระมัดระวังมันก็กระชอรถเราแล้วก็พองแล้วก็เจ็บแต่ถ้าเราประคองดีเนี่ยมันจะไม่กระฉอรถเราเลยใครประคองจิตให้จิตโรง่งโล่งว่างเย็นสบายบรู้สึ์ไม่อึดกัดแม้จริงๆนะมันเหมือนกับได้ สิ่งที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนเนี่ยช่วงหลังจากหายป่วยเนี่ยร่างกายเราก็เริ่มไม่ต้องใช้ ย, ยาไม่มีไข้มีหวัดจิตตอนนั้นก็เริ่มวันนี้สบายจังบินสบายโอ้บินสบายจัง บ, บ, บินได้กี่เยอะตั้ไกลตั้งห้าหกกิโลเต็มย่ามเลยแปลกเงินเหมือนกับว่าอาจจะเป็นไหม พอจิตบริสุทธิ์จิตตราบริสุทธิ์เราคนทําก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์เจอก็บริสุทธิอบบ์อุตรุปเลยทีนี้มันแรงแปลกเหมือนกันที่ตอนก่อนก่อนก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีแบบนี้เมื่อเช้าเนี่ยบินออกจากไอ้ตลาดใหญ่ไอ้มีโรงพยาบาลโรงบนันเคยโรงพาบาลมรอะไรมงกุฎไอ้ต้งแจ้งวัฒนะมงกุฎวัฒนะไม่น่าเชอเลย เด็กเรากลัวนะมันผิดกฎไอ้เด็กนะี้มันประกาศหน้าโรงพยาบาธรรมดาก็บอกหน้าโรงบาบาลน่าแค้เสียงอาจารก็ประกาศพระพยิยงามินว่าไอ้เด็กมันเราอยู่ไกลไกหน้าโรงพยหรพย า, าแต่พวกหมอพกเนี้ประกาศเลยหนูขาดโอ้โหมาลงมาสายบาตรเทียบ ไอ้มัเปล่ามาไปตั้งเจ็ดแปดึ้นหมดหมดให้กันมาให้กันไปมันชักสนุกเลยเรเขาให้เราเราให้เขาไม่รู้สึกว่าเออเราไม่ได้เอาเปรียบรับมันชักจะเริ่มมีความรู้สึกว่าคนเรานี่จริงใจบริสุทธิ์ใจถ้ามันจะสบายใจ มากกว่าถ้าอีกพวกเล่นไม่ซื้อเห็ไหมพอเล่นไม่ซื้อเนี่ยเดือด ร, ร้อนกต่จะเป็นแตกตายทั้งรัฐทั้งทา ง, ทงการวงกันารนายกพกนี้จะแฉ่พวกเสียผลประโยชน์มันก็ไปด่าให้ประเทศจะอื่นก็เกียดคนเราเนี่ยนะมีแผลแล้วมันชอบสาวแผลนะแทนนี่เจ็บ ประเทศเราจะได้รับความเชื่อมั่นก็หมดประเทศไทยคงจะยากแล้วเพราะว่ามันมีคคำที่จะมาอย่างนจนทุกวันนี้พุทธเจ้าสอนว่าชนะตนเองเนี่ยดีกว่าชนะอะไรไปหมดชนะตนแลดีแต่เดี๋ยวนี้ทุกวันแล้วเนี่ยมันไม่ยอมแพ้กันเพราะมันจะเอาชนะกันในเรื่องอํานาจเรื่องผลประโยชน์เรื่อง ไม่แต่มันไม่ได้เป็นใหญ่มันก็ไม่อยู่ได้อันหนักมันก็ไม่เยอะแล้วมันลากบ้านเมืองไว้เล็กที่เองแทนที่จะเออปล่อยให้มันเมืองมันได้เดินไม่ได้สบายสบายมัก็ล่อันเรื่อยๆแต่ผลี่สุจนเนี่ยยังไม่รู้ว่าความอยากจะเอาชนะกับอยากให้บ้านเมืองเจริญเนี่ยตอนที่ไม่รู้ว่าดีกรีอะไรมันพุ่ง อุณภูมันแรงกว่ากันอยากให้บ้านเมืองเราเลยเวียดนามเขาบ้างเลยลาวเขาบ้าเลยกัมพูช์เขาบ้างก่อนเขามาดูงานเราเราผงาดเป็นสุนัตัวที่ 5, ท่ตอนนี้เป็นแมวป่วยเป็นคนป่วยวัดภาคพื้นเอเชียโอ้เอามาอ่านไป อ, าาอ่านามาแล้วเห็นจริงเ สังคมไทยไปโอ้ยย yeah. well, right? ังแล็งเลยตันเศรษฐกิจก็แย่เนี่ยเมื่อวานนี่แม่ว่าจะไปซื้อเงินซื้อไม่ทันเขามีไข่ขายอะฟองสองบาทโอ้โหคนปรลุงซื้อเขาเถ่าย้อนยุ่งเลยไอ้เด็กมาสี่ร้อยกว่าคนนะสั่งบอยไปซื้อไข่กันสองพันไม่ทันแย่กับซื้อหมด ซื่อไทมาเย็ดยมจะเจอที่ไหนสองบทาฝากไว้มาตั้งี่สิบไปาเข่าๆๆวราซื้อมาเพ่ออย่าเ็นดิยังไงเยวเราชาวพุทธที่ไหนเป็นยังไงแข็งครใครบ้าลิบหลงิใครจัดงานุขเซิกันโอ้โหตอนนี้มันมีเรื่องทีนา ลุงมลังมากนะยมจะมาว่ามันลุ่ะลังยอมเรงเห็นไหมบางวัดที่ก็มีสสินห้อยแต่ยอมแต่ยมมานั่งกี่คนสายสินต้องห้อยจานวนเท่าหัวคนมารอยหัวก็วต้องห้อยร้อ ย, อยเส้นน่ะแ้ต้องลามอย่างนั้นแล้วตอนไหนมาใช้กุจะรัสปัสสาวะจะลุกไปก็ก็อถอดหัวอีกทำไมมันลุกสิแตายตา ย, ตาย ตานะทำไมมันเชื่อว่าสายสินจะทําให้ชีวิตมันดีได้ทําไมมันไม่เชื่อประพฤติกทําปฏิบัติให้ตัวเองไม่มีโทษพระพุทธเจ้าต ร, รัสแปลบรรดาความสุขที่คารวะอย่างพวกโยงจะมีโยงจะมีสุขจากการหาทรัพย์ไม่ต่ำกว่าคนอื่นโยมจะมีสุขพาะการใจทรัพย์เพิ่มมูลค่าของทรัพย์เพิ่มมูลค่าของชีวิต ใจแล้วไม่มีคำว่าเป็นลบไม่จา้างค่าพระสามแสนไอ้คนยิงได้ห้าหมื่นไอ้คนรับจ้างเป็นสองแสนกว่าคนจา้างค่าเนี่ยไม่ใช่คนดอดอเป็นคนกระวินค่าอาอวุกแล้วกเรื่อมียหมอคนที่หมอหมอแก้ว หมอแก้วเนี่ยเขาเป็นนักเรียนรุ่นเดียวกับหมอที่ตายผ่าหมอเขาก็รู้จักกันก็ไปปฏิบัติธรรมเลือไอ้หัวขี้หงไอ้หัวก็ไม่กวเนเมียไม่ติดใจพ่าผ า, าติดใจเมียทังทางทีกบุกการบุหรี่ก็บอกโอ้ไม่กินส่งไปดูตั้งหลหรอกบขยนไปข้าเลนข่าเป็นเมียที่สาม คนมันมีเงินนะแต่ตอนนี้ก็ไม่ยอมแพ้จะสู้ต่อดีเพราะคิดว่ามีเงินมีอิทธิพลงานนี้เขาบอก่จะไม่จัดเข้าคุกทาหารเนี่ยมันอาจจะรอ่อแล้วยอมได้อยู่อะไยโทษไหมกำนังเปาะผู้พันตรงดู่ไีน ไม่ติดเลยนะปะไปตัวไปไหนเน่านเมืองเราคนมีเงินไม่ต้องติดคุกนอนบ้านคนจนติดคุกถ้าพวกเรานะอยากให้กรรมมันมีผลพวกเราต้องขับเคลื่อนขับเคลื่อนให้กรรมมันเคลื่อนที่ม้างที่ยังใหญ่อะไรนะ เมียคุณต้องใจดีแล้วไปจิตอ่ะไปเร็วๆแกไปปักหมดุดตรงที่สามีแกหายเพราะแกบอไอ้เบนลี่โอแกนก่อหายไอ้คนเลานั้นก่อหายก่ัแกก่อหายนี่จะมาว่าแกทำมันชนดอาจจะมาจีดินมันหายเนี่ยไ ป, ปยังมาลกก่งไปไม่จอเดี๋ยวยว่าจะจัลระลึกนะบางสกุลบางสกุลชนดหน่อย เผื่อไม่จะฟื้นเอาแต่ใจหายนิดเดียวเออตกลงว่าอย่างไร น, นะน้องเนบวชพิธีเสร็จแล้วนะน้องเนรว่าเสร็จยังฟางเป็นเนรเสร็จยังไม่ถามจริงอ่ะมาบวชเนี่ยให้บวชจริงยกมือ ใครบวชเล่นยกมือใครบวชจริงแต่ยังเล่นยกมือโอ้พระสวยนะเริ่มยกอะไรเริ่มเล่นเล่นน้อยหน่อยนะเล่นน้อยเล่นสมาธิเล่นฌานเล่นกรรมฐานเนี่ยเล่นจอเนี่ยเล่นใจนะอย่าไปเล่นจอนะจอนี่ยปิดเลยเลือนปิด ของแค่นี้อันไหนลง น, นก็ขออวยพรให้ทุกท่านอย่าเสียแนวหลักธรรมอย่าถล่มฐานหลักลิบจนคำสอนที่ดีงามของพุทธเจา้าถูกบังด้วยลิบถูกปิดด้วยลิบถูกสร้างสิ่งต่างๆมาบังคําสอนที่เป็นเรื่องหลุดพ้นดับทุกมาหลงกันอยู่แต่ลิบถ้าลิบ ด, ดับทุกได้ เชื่อว่าพวกลำมะเกียนใ้พวกมีฤทธ์ทั้งหลายในตัวละครลำมะเกียนมันก็คงจะไม่ถึงจุดจบแบบเสื่อมฤทธ์กันทั้งหมดแล้วมันก็ต้องลําบากกันทั้งนั้นแหละแล้วเราก็อย่าหลงฤทธ์อายุกะหลักทำไว้ยังเหนียวแน่นด้วยกันทุกท่านทุกคนอยอายมเหยียดตัวตรงเหยียดตัวให้ตรง ดึงลงสติให้มัน่นดึงลมหายใจเข้าดึกยปล่อยลมหายใจออกยาๆเอาสติปุจจิตเดกอยก็ลงหายใจเ ข, าาจเาข้ากอกสัก3 า, า, ก น, กานาทีให้เห็นสภาพจิตที่ดูกกำหนดด้วยลมหายใจเนี่ยมันเป็นโชคจิตบริสุทธิ์จิตสบายไม่อึดอัดไม่วุ่นวาย ไม่ร้อนรนไม่ทุรนทุรายสบายสบายกระลมหายใจ